นครสวรรค์ยืนแดนต้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีอดีตอันยาวนานมาได้เปลี่ยนชื่อ หลังจากนั้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองนครสวรรค์แต่ชื่อที่ถูกเรียกและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตั้งแต่สมัยกรุงศรีวังยมน่านที่ได้โผล่มารวม ได้ทินอยู่ตรงปากน้ํานี้ชาวบ้านจึงนิยมวังยมน้ําซึ่งไหลมาบรรจบรวมกัน นครสวรรค์เป็นสวรรค์บนดินที่เต็มไปด้วยสิ่งเทพเจ้าแห่งเมือง วัดศรีอุทุมพรตั้งอยู่ณเลขที่ 89 หมู่ที่ 9 บ้านวังเดือนตำบลหนองตร 16 ไร่ 2 าง, 93 ตารางวาพื้นที่ในการ และตึกของวัดมาตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2485 ชาวบ้านมักจะเรียกวัดนี้ว่าวัดวังเดือนตาม ปีละประมาณ 13 รูปและสามเณร 4 รูปในสมัยนั้นต่อ 6 ไร่ 3 งาน 27 ตารางวา 2539 ได้เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2544 ได้ได้ทําการสร้างเสนาสนะต่างๆขึ้นอีกมากมาย 1 หลังศาลาการบริญญ์จํานวน 6 หลังโรงเรียนพระปริยัติธรรมจํานวน 1 หลังศาลาธรรมสังเวชจํานวน 1 หลังชาปนสถานจํานวน 1 หลัง 1 หลังและหอระฆังจํานวน 1 จึงใช้งบประมาณในการก่อสร้างจํานวน 20 ล้านบาทเศษโดยทางวัดได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ดำรงตําแหน่งเจ้าหรือนามเดิมจ้อยจันทสุวรรณโณชื่อจ้อยนั้นมาจากภาษาพื้นบ้านนามเดิมจ้อยปานสีทาชื่อจ้อยเม 8 เมษายนพุทธศักราช 2456 บ้านดอนหวายตำบลพรวน 2 นาอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเป็นบุตรของพ่อแหยมและแม่บุญป้า 6 คนเป็น 3 คนเป็น 3 คนคือคนแรกได้ 2 พระครูจ้อย 3 พระสุข 4 นางแถว เล่าเคติและคนนี้หกคือพระภิกษุสุเทพหลวงพ่อจ้อยจบการศึกษาชั้น 4 จากโรงเรียนวัดดอนหวายอื้อทับทันจังหวัด ท่านเป็นคนขยันประจําหมู่บ้านวัยเด็กท่านจะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อ เป็นกระบุงตามวิถีชีวิตพี่สาวน้องชายของท่านชาวบ้านท้องถิ่นทั่วไปหลวง เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มพวกเพื่อนๆมักจะชักชวนกันไปเที่ยวคุย มีคนแก่คนเฒ่าในหมู่บ้านใน พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากและระลึกถึงความกตัญญูต่อบุปผการีที่ ในเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของความเป็นอยู่บ้างก็เบียดเบียนกันบ้างก็เอารัดเอาเปรียบอุปสมบทเมื่อวัน 2476 ที่วัด พระอาจารย์บุญธรรมเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์บุญตาเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้ ตำบลหวังม้าอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นเวลา 2478 หลังจากนั้นจากนั้นท่านก็ได้ ในปีพุทธศักราช 2479 และได้มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครยังวัดพระคันโฆสิตาราม ซึ่งตอนนั้นอาจารย์แม่มหานิรานนท์ก็ได้ไปเรียนอยู่ด้วยในขณะที่ ที่ทําภาคเหนือลงมาตั้งๆกับพระอาจารย์หลายรูปเช่นเรียนวิชาการทําตะกรุดโทนผ้าประเจียดการๆและการทํา หลังจากนั้นได้เรียนวิชาการเขียนลบผงอิทธิเจปฐมังพุทธคุณและมหาราชกับหลวง ได้เดินทางไปศึกษาวิชาอาคมวิชาอาคมและการทำรีดหมอเทศปตราวุธปลายันติการปลุกเสกเกี่ยวกับศิษย์ยาแกะและวิชาคาถาการทำๆกับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโค กลับเป็นพ่ออีกวัดเกาะหงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตลอดจนได้ศึกษา ซึ่งตำราทั้งเป็นผู้เก็บรักษาต่อไปต่อมานี้เหมือนข้อ ที่มีเช่นต้องลงอุโบสถในวันพระ 15 ค่ําเป็นจิตตวัตรชาวบ้านจึงได้ปรึกษาหารือกันว่าคิด รวมทั้งยังได้ชักชวนฆายกคนอื่นโดยมีฆายกทิ่มฆายกขันธ์ จึงได้เดินทางมารับตําแหน่งในปีพุทธศักราช 2485 เป็นต้นมาหลวงพ่อจ้อยประมาณ 4-5 รูปพอออกพรรษา หลวงพ่อก็จะช่วยสอนหนังสือให้กับเด็ก ท่านเป็นพระที่มีอุปนิสัยเรียบง่ายสมถะนะเรียกว่าความนะธรรมอะไรนะทําเอาจริง แล้วก็เรียกว่าก็เรียกว่าเปี่ยมล้นไปด้วยเมตตานะเป็นนะไม่ยึดนะอยู่ในลักษณะเช่นนะ จะมาจัดงานวันเกิดนะเรียกว่าจะมาทําอะไรกับท่านเนี่ยตัวท่านเองไม่ทํา ค้ำอบโซสร้างเหมือนฝายสร้างอาคารเรียนวัดศรีอุทุมพรตั้ง นอกจากนั้นยังได้ชักชวนชาวบ้านปลูก 90 พันศาทําการขุดอ่าง 10 ล้าน ขอสมเด็จพระ 2537 ด้วย 1,200,000 บาทและการสร้างมูลค่า 9 ล้านบาทการ แม้ว่าจะรู้ว่าฉลาดก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสําหรับการปฏิบัติภารกิจของท่าน นะท่านใช้เวลาของท่านทางนะท่านก็ไปแม้นแต่เวลาจําวัดกลางวันเนี่ยท่านยังไม่จําวัดท่านคอยดูแลสอด นะมากลับมาวัดแล้วแทนที่จะพักเมื่อรับญาติโยมเสร็จแล้วก็พักผ่อนก็ยังไม่หลับนอนเก็บโน่นเก็บนี่ในห้องทําอยู่อย่างนั้นกระทั่งบ่าที่นอนที่มันง่วงแล้วมันก็หลับ เวลาให้ประโยชน์เช่นแก่สังฆาตานเช่นซักสระบงจีวรอะไรทั้งๆหรือญาติโยมทําๆนะจําวัดง่ายๆไม่มีที่ นะแม้นเวลาฉันสมถะท่านก็จะนะไม่โก้หรูนะบางทีก็ หลวงพ่อจ่อยแก่นแท้สุวรรณูมีปฏิปทาที่สําแดงให้ประชาชนหลวง 本当หิวเป็นพระยั fluffy หушки todos ท่านหิวเป็นพระนักษาติว íchสร้อ ประพง ยังเป็นเขียนพิดบล็อก ที่ได้จัดสร้างขึ้นมากมายนั้นร้วนมีความศักษิตและแสงด้วยเสน่เห็นบนขลังอย่างหน้าอัศจรรย์เมื่อได้สัมผัสเห็น หลวงพ่อจ้อยนี่ท่านเป็นพระนะที่มีครูบา สมัยก่อนท่านปลูกเศรษฐ์นะโยมก็เคยเล่าว่าท่านท่านปลูกเศรษฐ์ของนี่เข้ากรรมฐานนี่ตาเลยนะแล้วว่าทันเห็นท่านทําพิธีปลูกเศรษฐ์เป็น 3 วันเลยปิดเท่าไม่ออกเลยนะนี่เห็นกับประกันได้พูดได้จะฝากเลย ท่านเก่งมากเลยเก่ง 3 วัดนี่ถ้าอย่างเรานี่นะวันเดียวน่ะ 3 วันก็ออกเนี่ยท่านทําได้ยังไงเพราะท่านปฏิบัติธรรมนะต้องได้ 3 มหัตไม่ทานอาหารไม่ฉันอาหารอยู่ได้ น่ะท่านก็วัตถุมงคลท่านก็ และผู้อุปถัมภ์ค้ำชูและเป็นคนดีของสังคมพระพุทธศาสนาไม่เคย 7 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2550 หลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณโยมเกิดอาพาธขึ้นอย่างที่ มีแต่ทรงกับพุดลม 13 กุมภาพันธ์พุทธศักราช 2550 หลวงพ่อจ้อยได้ปรนับกับลูกหลานและศิษยานุศิษย์ ท่านต้องการจะไปสมุดลาการเพื่อไปพักผ่อน ได้ทําการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียลที่สถานคราง 2550 หลวงพ่อได้รับ 2550 แพทย์ได้แจ้งว่าหลวง นักแท้ลูกหลานและศิษยานุศิษย์ได้ลง 16 เมษายนพุทธศักราช 2550 แพทย์แนะนํา เวลา 11:00 น. เวนเมื่อหลวงพ่อจ้อยถึงวัดศรีอุทุมพร ว่าจากบรรดาลูกหลานและศิษยานุศิษย์ที่เคารพเลื่อม ในโลกล้วนอนิจจังคงแต่